บันณกรรมอุทิศส่วนดีของหนังสือนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศน้ำพักน้ำแรงถวายกุศลแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัตเขมราจารีเทระป ร, ะรียธรรม9ก้าประโยควัดมห า, าธาตุพระนครสมเด็จพระอุปัชฌายะผู้ล้นพระคุณของปวงสิทธิ์มห า, าธาตุวิทยาลัยคามานุโมทนา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 ซึ่งเป็นสหายร่วมสำนักเรียนแล้วร่วมอุปชาเดียวกันและเคยอยู่ร่วมกันที่สวนโมคาพลารามชัยยาเมื่อพุทธศักราชส4งพข้าพเจ้ากับสหายผู้นี้ได้ร่วมคิดกันมาตั้งแต่อยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วในสมัยนั้นงานของท่านพุทธทาสภิกขุได้มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าและสหายมากที่สุดฉะนั้นจึงได้ตกลงไปขออยู่ร่วมกับท่าน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 จนสุดความสามารถตราบเท่าชีวิตสลายพรรัตนสุวรรณคณะเจ็ดวัดมหาธาตุพระนคร25กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,499